แต่หลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วนี่เรารู้จักสื่อกับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นแหล่งของความรู้และความจริงต่างนี่มันไม่ได้เกิดจากความจําประสบการณ์ที่จากการศึกษาดนเองเอย่าลืมว่าพัฒนาบิดกทั้งหมดนี่ครับเพิ่งเพิ่งเกิดหลังจากทุกเจ้าแต่สรู้นะ่ะไม่ได้มีมาก่อนหรือมีมาก่อนก็เป็นคัมภีร์พระเวทของของพุทธเจ้าก็ท่านได้ศึกษาได้ทดลองหมด แต่ว่ามันก็ไม่มถึงจุดนี้มาถึงจุดที่ท่านใช้คาว่านิโรธานดังนั้นการที่เราทำทั้งสองหน้าที่ในรุ่นเราเนี่ยสองหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็คือการนาที่ที่จะสือความหมายก็โดยเองเพื่อที่จะตามหาเหตุของทุกะเหตุของอาสวะธรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากไหนตามกันอยู่ตลอดเวลา ไหนตามได้แก้ไขได้แก้ไขไปไหนแก้ไขไม่ได้ก็พยายามต่อไป mm hmm. อาสวะบางตัวมันมันเหนียวมันเหนียวแน่นมันละเอียดเกินกว่ากําลังสติปัญญาของเราเพราะงั้นการฝึกฝนของเราก็ต้องต้องละเอียดขึ้นเพื่อให้กำจัดอาสาวะพอมาถึงตอนนี้แล้วเราอนาคตของเราไม่มีเรื่องอื่นเรื่องที่จะทําลายอาสวะอย่างเดียวถ้าเรา ไม่ได้ทำเป้าหมายนี้เราก็ไม่ได้มาทางนี้เรามีทางอื่นไปเยอะแยะเรื่องโล ก, กียบวิสัยนะแต่ลงโลกุตระวิสัยแล้วถ้าไม่มาถึงจุด น, นี้ก็ถือว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดคือการทำลายอาสวะนะี่เรียาอาสวะขย า, ยานนั้นการการเจริญสติที่เราทำอยู่คือการสื่อความหมายกับตัวเองหรือการอ่านตัวเอง ให้ละเอียดทุกโอกทุกมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะอ่านได้อ่านเพื่ออะไรจี่หลวงพอเทียนใช้ว่าทำบอกบอกให้รู้ก่อนตอนแรกว่าบอกให้รู้เราก็ได้รับอันนี้มาคนอื่นการยันไม่บ่อยรู้นะบอกให้รู้ดูให้เห็นบอกให้รู้จะทําให้ดูนะทำให้ดู แต่เราที่ไปสื่อคนอื่นเราก็ต้องบอกให้เขารู้ก่อนว่าเราทําอะไรนะบอกให้เขาใจาที่นี้วิธีการบอกบอกให้รู้แล้วก็ทําให้ดูนั่นหมายความว่าเราได้รับสิ่งนี้จากกระยาหมิดมาแล้วกระยาหมิรก็บอกให้เรารู้ท่านก็ทําให้เราดูแล้วก็ทําตามเนี่ยพอเราทําตามแล้วมันมันได้ผลออกมาความเป็นอยู่ของเราก็มีความสงบ นความย็กเย็นขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเป็นมาอดีตมันน้อยลงเราสามารถจะอยู่ให้คนอื่นเห็นว่ามันไม่มีปัญหาบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่แบบไม่มีปัญหาปัญหาอะไรก็ตามนะในแง่ของสมมติเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากในการที่จะอยู่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วทำให้เป็นหมายความว่าเราต้องเป็นก่อนแล้วถึงจะไปทำให้คนอื่นเป็นได้นะ ให้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราต้องทําตัวเองให้เป็นก่อนทีนี้ไอ้เป็นอะไรคือเราทําให้เป็นคือทำคําว่าทําให้เป็นเป็นชี้ของกุศลกุศลแปลว่าทําเป็นที่เราเอามาเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาการศึกษาทั้งฝึกฝนให้คนพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นคือหมายความการทําการพูดการคิดในทางที่เป็นกุศลถ้าทําไม่เป็นนี่เขาเรียกว่าอกุศล อกุศลมันหมายความาว่าไม่ดีนะแต่ทํำไม่เป็นของดีๆอ่าไปทํำไม่เป็นก็เสียใช่ไหมคําพูดดีๆเนี่ยพูดไม่เป็นก็เสียนคิดความคิดดีๆเนี่ยคิดไม่เป็นก็เสียอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทําไม่เป็นไอ้สิ่งที่ว่ามันไม่ดีคือเป็นผลนะทําไม่เป็นแล้วมันเสียน่ะเสียนี่คือเป็นผลก็อเรื่ออกุศลอกุศลแปลว่าไม่แยบคายที่จะทำทําให้มันเป็นนะ อันนั้นตัวนี้ก็สำคัญทําให้เป็นเราต้องทําให้เป็นก่อนหมายเพราะว่าเราดับทุกเป็นแก้ไขปัญหาเป็นแก้ไขอันไหนที่ยั ง, งทําให้เป็นก็ทําต่อไปอย่างทําลายอายสวะเนี่ยเราทําเป็นเมื่อกันแต่ว่ายังทําเป็นยังไม่หมดอย่างเงี้ยเนี่ยทำเป็นได้บางส่วนอันนั้นเองเบื้องเบื้องต้นเนี่ยให้เราเข้าใจว่า อาสว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่ามันที่มันละเอียดลงไปมันก็มันก็ไปจากหยาบหยาบเมือน้ําที่มันตกตะกอนก็ไปจากความขุ่นขุนเมื่อก่อนที่มันจะลอยอยู่ด้านบนน้ำนั่นแหละพอมันถูกสารส่งหรือสารอะที่เราแล้วไหลงไปค่อยๆตัวนั้นะสารนั้นก็ตกตะกอนเมื่อมันตกตะกอนแล้วที่จะทําไงทึ่จะเอาตะกอนนั้นออกโดยจะไม่ต้องเสียน้ํานะเพราะว่า เราจะเอาความขุ่นออกจากน้ําได้อย่างไรในสมัยก่อนเราไปอยู่ตามวัดปา่าวัดอะไรต่างาน้ํามันขุน่นเขี่ยวเราจะสารส้มไปละลายไลยน้ําใส่ลงกับตุกตะกรหนานแน่นเราก็ใช้สายยางเนี่ยแย่ไปใต้ก้นที่ไอ้ตกตากรหนาๆ น, นี่ยเราก็ไปไล่ดูดเอาตัวนั้นออกเรายอมเสียน้ํานิดหนึ่งที่มันจะเอาตะกร้ออกไปหรือไม่งั้นเราก็ดูดน้ําใสออกให้มันเหลือแต่น้ํานั้น ก็จะเสียน้ำน้อยกว่าวิธีที่จะเอาอาสะวะออกโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียสุขภาพไม่ต้องสูญเสียเวลามากเกินไปทำยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านทำมาโดยที่ไม่ใช้รายละเอียดแบบที่เราทำทุกวันท่านทาลายอาสะวะได้ท่า น, น, นก็สูญเสียสุขภาพแสูญเสียเวลามากมายก็จะเหลือเวลามาสอนผู้คนก็เหลือเวล า, าท่านไปนอนเจ็บ ป, ปุ๋ยวนานเท่าไหร่ พราวางทีเอาเอาน้ําออกจากตะกอนชายออกเยอะเกินไปถ้าออกไม่เป็นก็กรนก็ไม่ใส่นั้ น, น, นจากประสบการณ์การทําง่ายๆในการเอาน้าออกจากตะกอนประการแรกก็คือมันตกคนเป็นฝาหนาข้างข้างล่างเป็นต้องปล่อยให้มันมันตะกอนนานๆจะได้ความหนาเนี่ยจะได้บางจะได้ดูดได้ง่าย แต่ถ้ า, าว่าตัวตะกอนสูงอยู่สะดูดออกน้าก็ออกไปเยอะอันนี้ก็ช้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราแทนที่เราจะดูดออตะกอนออกเราดูด อ, อน้ำใสออกใสอีกทางหนึ่งเหลือตะกอนกราก็เทตะกอนทิ้งอันนี้วิธีการง่ายๆชนี่ทีนี้การดูบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเนี่ยทำให้เป็นเพราะทำเป็นแล้ว ปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆมันมีอยู่ทําให้เป็นปัญหาทางกายมีอะไรบ้างปัญหาทางกายมีทั้งส่วนสมุติและประมัตดทางกายในส่วนสมุตดทางกายมันเป็นทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยหน้าที่ของมันนี่ที่ทำงไงให้มันมันไม่ทุกข์แก่ช้า เจ็บช้าป่วยชาตายช้าไอแ้แหลมทองเนี่ยที่เราต้องการใช้มันเพราะกวจะได้ร่างกายนี้มาสมบูรณ์เป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เราพัฒนากันมาเมื่อคิดพบอีฉาติเคยเป็นไม่รู้เกิดเป็นอะไรมาบ้างเกิเป็นคนรวยคนจนคนทุกข์คนยากคน พ, คนพิการคนใบเบี้ยเสีย้าคนโง่ค น, น, คนบอด อ, อะไรมาในอดีตมากมายกว่าจะได้มาคนที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซนอย่างงี้นะมันยากมากเลย ทีเลือกใจธนูถนอมใช้มันให้นานที่สุดได้อย่างไรนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องมาทําให้มันเป็นหละนะโดยที่ประการแรกในะวิธีการของโพดเทียนคือพยายามเอาสิ่งที่ทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วเนี่ยออกให้มากที่สุด น, นี่คือสิ่งเสพติดทั้งหลายนะสิ่งเสพติดทั้งหลายเพื่เหล้ายามาคูบุหรี่น้าําชากาแฟสิ่งเสพติดฟิล์มข่าวฟิล์มผง ขาวเฮโลอีนไมเหล่าเบียอะไรต่างๆที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเนี่ยเอาตัวนี้ให้ออกก่อ น, นในพิธีการบูเทียนเราเอาที่จะทําร้ายร่างกายออกก่อนอันไหนที่มันไม่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยเอาออกให้หมดประการแรกที่สุดนี่ที่ทําให้เป็นถ้าเอาของอ ย, ายาบพิสูจน์ออกไม่ได้ของละเอียดมันจะกระเนื้อไปจากของอยาเพรตกตะกรอน อาสวะก็หมดไม่ได้เพราะนึ่งมาจากตัวนี้ถ้าเราเห็นแก่จะทำลายอาสวะทั้งหมดเราต้องจำใจต้องละสิ่งเหล่านี้คิดว่าเราไม่ได้กินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดื่มเราไม่ได้กินกาแฟกันชาหรืออินฟินผงขาวหมักผูบุหรี่มันไม่ได้ตายถ้าเราไม่กินมันไม่ตายแต่ถ้าอาสวะมันไม่หมดเราตายแล้วตายอีกไม่รู้กี่ภพภิชาตเราเห็นแก่ว่าเราต้องการทำลายอาสวะ ดังนั้นในวิธีการคือพจน์เริ่เริ่มจากอยู่นี้ก่อนพราะเริ่มจากจุดนี้ในช่วงปฏิบัตินะสิ่งแรกที่สุดเมื่อก่อนหลงพ่อเทียท่านติบุหรีนะส่วนหนึ่งที่ท่านเป็นมะเร็งในช่วงสุดท้ายเพราะอะไรเพราะทุกจากบุหรี่และกาแฟที่ท่านติดเป็นเครือข่นี่นะเพราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่สุดพอท่านสัมผัสอารมณ์รูปนามครั้งแรกปั๊บเนี่ยท่านเห็นโทษเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ท่านก็เลย ว่าขนาดติดบุหรี่ขนาดว่าที่เลิกใหม่ๆแนละ้วไปเห็นใครสูบก็ยังไปไล่ดมเอาขนมันกันเอาใครผ่านไปขนาดนั้นติขนาดทีนี้เราจะต้องเลิล่างแล้มันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเรามันอยากเสพแล้วเนี่ยยังไงก็มือมันพาไปแต่ถ้าเอาว่าใจเราไม่เอาเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมาหาเราไม่ได้บุหรี่ไม่จะเดินหาเรามเดินมาหาเราไม่ได้นะมือไม่หยิบ ไฟไม่จุดแล้วทําอะไรไม่ได้นั่นน่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งหมดนะเพราะอาสวะตรงนี้มันมันละเอียดแต่ว่าก็ไม่ใช่ของอยาเป็นการตอบสนองอท่านก็ทดสอบตรงนี้ทนะี่ทำให้เป็นคือออกจากสิ่งที่เป็นอุปรสรรคต่อสุขภาพให้ออกให้หมดคือถ้าสมมุติว่าสุขภาพเราเสื่อมก่อนถ้าอาสวะเราไม่หมดเนี่ยเมื่อะต้องเไวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นจะที่การดูแลรักษาสุขภาพไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ มีเวลาที่จะทำอาสวะให้สิ้นสากเมื่ออาสวะสิ้นแล้วโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อโลกเนี่ยมันก็มีหรือเวลาอีกเหลือมากแต่ถ้าสมมติว่าอาสวะเราก็ยังไม่สิ้นสุขภาพเราเสื่อมป่ยตายเพราะสิ่งเสพติดเหล่านี้ก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปเยียว่วตาต่เกิดอีกมันก็มีคุ้มกันเนี่ยกับสิ่งเสพติดทั้งหลายอันนี้เหตุผลหนึ่งว่าทำไมต้องดูแลสุขภาพ เผื่อว่าเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางได้แต่ถ้าหากว่าเราเดินทางพันกิโลรถเราวิ่งไปถึงกิโลที่เจ็ดร้อยเนี่ยรถ ล, ล่มเสื่อมละอีก300กิโลหรือ200กิโลน่าเสียดายไหมเดินทางมาตอนนั้นเจ็กิโลอีก200กิโลจะถึงแต่รถเสียเสยก่อนเหมือนกันน เ, เราจะทำลายอายุาสะว์ได้สิ้นสงสมมุติว่าอายุเราจะต้องชักไปถึงขนาดเนี้ย สักหกสิบเนี่ยพออายุห้สิบเก้านี่ยสุขภาพก็ไปไม่ไหวแล้วแต่อสวกหรือนิดเดียว่นี่คือว่าเหตุผลว่าทําไมต้องดูแลสุขภาพนั้นการทําต่อสุขภาพทางกายทําให้เป็นการดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อไม่ใช่บํารุงบําเรอต้องการความสุขติดสุขไม่ใช่แต่ต้องการรักษาธาตุขันเนี่ยให้เข้มแข็งถึงวินาทีสุดท้ายที่จะต้องทำลายอสวะ พอรู้ไอาา้สภามันยากขนาดไหนนะนะแล้วถ้ามันหมดวัยก็ดีเวลาที่เหลือเราก็ได้ทำประโยชน์ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้มหาศาลธนะาตุขันธ์ตัวนี้สิ็จแล้วทำให้เป็นทางวาจาการใช้ส ม, มุิภาษาอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะต้องเรียนรู้ในการใช้ คำพูดในการสื่อความหมายที่มันตรงใจอะตรงกับใจเราบางทีใจเราไปางี้แต่สื่อความหมายไปผิดนี่เป็นเรื่องก็มีนะเราไม่เจรจาจะพูดอย่างนงั้นสักหน่อยแต่คนกล่หมายเขาเข้าใจอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องละเอียดเองบางทีบางคนใจดีใจซื่อนะแต่ว่าเราพูดไปคนรับไม่ได้อันนี้การพูดไม่เป็นแต่สิ่งดีๆก็เลยกลายเป็นไม่ดีไปหมดนะเขาเข้าใจเจรจาเราผิดไปหมดอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กัน บาทีอุปสรรคในส่วนของกายกรรมในส่วนที่เป็นปรมัติตเนี่ยหมายถึงการรักษาศีลให้ดีสขอ้อเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาไม่ประพฤติผิดในกรรมนี่คืนว่ากายกรรมที่บริสุทธิ์แต่กายกรรมในส่วนที่เป็นสมมุติเนี่ยก็คือกายเนื้อกายหนังเนี่ยต้องดูแลให้มัน ให้มันเข้มแข็งนะเพราะมีสองส่วนส่วนที่เป็นปรมัตดคือหมายความว่ามีศีลมีธรรมที่ทําจะให้บริสุทธิ์เพื่อสะดวกในการที่จะเจริญสตินะเพื่อสะดวกในการที่จะลองรับภูมิธรรมขั้นต่อไปนะนั่นหมายถึงว่ากายกรรมในส่วนที่เป็นปรมัดในส่วนที่เป็นสมมติคือทําเนร่างกายนี้จะได้เข้มแข็ง สุขภาพไม่เสื่อมง่ายในช่วงที่เรากำลังเดินทางเพราะเรื่องยอมรับ ว, ว่าเมื่อกายไม่สบายเป็นอุปสรรคตรงที่เราทำให้เรากังวลเราทำความเพียรมากไม่ได้ทำความเมื่อพียรมากไม่มีปัญหาและภูมิด้านทานไม่ดีเจอดินฟ้าอากาศที่หน่อยก็เปลี่ยนจะทำความเพียรก็ไม่ได้มีเวทนามากขก้นไปหรือทำได้แต่เวทนามันไม่คุ้มกัน พอจิตสติยังไม่เข้มแข็งพอที่จะตั้งรับเวทนาได้เพราะนั้นก็ต้องทำเวทนาให้เบาบางถ้าหากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุขภาพไม่ไดีปั๊บการดูแลสุขภาพก็มีปัญหาเยอะล่ยเไปควนควายกินยาหาหมอหาอะไรต่างๆมากมายวเวลาทำความเพียรา ม, ยมากกว่ากังวล ว, ว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้คือการส่วนหนึ่งทําให้เป็นทางกายทางวาจาทางใจทางใจในส่วนที่เป็นสมมุติเราใช้สมมุติหรือใช้ความคิดอย่างไรที่ทให้มันเป็นปัญญาโดยที่ไม่ใช้ตัวจิตแต่สังขารแต่ใช้ปัญญาญานแทนนี่ที่งเราทําให้เป็นเราก็ต้องใช้สังขารไ ว, ว้ข้ามละหมายความว่าความ สติสัมยิที่เราฝึกมาเนี่ยยังไม่แยกคลายพอที่จะแยกความคิดจิตตสังขารกับตัวรู้ญาณปัญญาได้เบื้องต้นนี้จึงฝึกให้ทางกายฝึกให้แยกความรู้สึกทางเวทนาและเ ว, เ, วเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตออกจากกันก่อนอย่างสมมุติว่าให้สังเกตว่าเวทนาทางกายความหยิดมนอนแข็งเข่งตึงหนักเบาเนี่ยเป็นเวทนาทางกาย เวทนากายท่านี้จะต้องแยกให้เห็นชัดว่ามันแยกจากไม่แปลเป็นเวทนาทางจิตได้อย่างไรในชั้นรูปนามเนี่ยเราต้องมาทําจุดนี้ให้เป็นก่อนเนะบื้องต้นผู้ปฏิบัติเบื้องต้นว่าเวทนาทางกายทั้งหมดเราเรียกว่ามันเป็นตัวฝ่ายสมุดทางกายทีนีน้ในความรู้สึก ที่เป็นปรมาทคือความรู้สึกทางจิตมันเป็นตัวรู้อยู่ตัวรู้ที่ตั้งรับเวทนาทางกายก็จิตนั่นแหละเป็นตัวรู้ผู้รู้คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้เวทนาทางกายเย็นแล้วหนักเดือดใส่เวทนาเราก็เอาตัวรู้ที่เกิดจากเวทนาเนี่ยแยกออกมาเป็นสตินะ โดยผ่านสัญญาเราจะทำตัวเวทนาทางกายให้เป็นสติโดยผ่านสัญญาถ้าไม่มีสัญญาเราจะแปลงเวทนาเป็นสติญญไม่ได้ในขันหเนี่ยรู้เวทนาสัญญาทีนี้ตัวสัญญาที่จะแปลงเป็นสติญญได้ต้องเปลี่ยนเป็นจากสัญญาธรรมดาให้เป็นทิละ ทีละสัญญาถอดถุงสิเราเลือก <c oughs> คำว่าถีละสัญญาคือความจำนั้นความจาอาการเยน็นร้อนอ่อนแข็งเข้ง่งตึงเนี่ยตามบุติเราเห็นอาการหนักอาการเบาเนี่เราไม่จดจำไม่เรียนรู้เราจะเปลี่ยนไปถ้าเราสึกไม่ไม่สบายเราก็จะเปลี่ยนไปเลย แต่ในช่วงที่จะเปลี่ยนเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษามันว่าจากเบาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนักได้อย่างไรพอหนักลั่นชั่พักมันหนักแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นเบามันเปลี่ยนไปอย่างไรเราไม่ได้ตามรู้ตรงนี้ตัวเวทนาหนักเบาจึงเปลี่ยนเป็นทีละสัญญาไม่ได้เห็นไหมตัวนี้ว่าเวทนา เปลี่ยนเป็นสัญญาที่เป็นทีละสัญญาคือเปลี่ยนเป็นสติไอ้ตัวทีละสัญญานี้เขียนเป็นชื่อของคาว่าสติ d e f i t i o n ของคาว่าสติคือความจำหมายที่ความจำตัวอาการอนั้นที่ชัดเจนที่มั่นคงและทีละสัญญาตรงนี้ถ้าหากว่าเราหลงไปสู่ความคิดปั๊บต้องกลับมาที่ตัวสัญญาถึงนี้ใหม่ สัญญาตัวที่ว่าขณะนี้ร่างกายของเราที่รู้ได้คือตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงไหวเนี่ยเป็นตัวสัญญาประเภทหนึ่งใช่ไหมที่กายที่ใจรับรู้ผ่านสัญญาดังนั้นเราก็เฝ้าดูไอ้ตัวสัญญาคือความรู้สึกว่าหนักเนี่ยมันเป็นสัญญาประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเวทนานที่จะเป็นเป็นสัญญาแต่ใจเข้าไปรับรู้ใจเข้าไปรับรู้ถึงอาการนี่ชัดนะแล้วก็มันดําเนินจาก ถ้าเราไม่ชัดเราก็ตั้งต้นใหม่เสมอสมมติว่าคำว่าหนักมันเปลี่ยนเป็นเบาอย่างไรเนี่ยเราก็ตั้งต้นใหม่แล้วก็เริ่มมันหนักใหม่ก็ดูอาการหนักอาการเบาเนี่ยมันจะเปลี่ยนอาการหนักแล้วก็ตามรู้ไปตามรู้อาการหนักตามรู้อาการเบามันจะเปลี่ยนเป็นหนักเรื่อยๆตัวเนี้ยการที่สืบต่อเนื่องของสัญญาไปลาดับนี่เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนเป็นสติเป็นความรู้สึกตัว มันจะมีคำ ว, ว่าตัวคำใดเมื่อคาบเกี่ยวร่างกายกับใจนะทีนี้เมื่อตัวสติตัวนี้ถ้าจะให้มันเป็นถ้าเราไม่มีไม่สังเกตอย่างนี้มันก็คือสัญญาธรรมดาสัญญาธรรมดามันก็จะไปรับใช้อะไรตรรกใช่ไหม รับใช้แต่ละแต่ถ้าเป็นทีละสัญญามันเริ่มออกจากกดของแต่ละถ้ามันไปรับใช้แต่ละตัวสัญญาชนิดเปลี่ยนเป็นสังขารแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนสัญญาธรรมดาเป็นทีละสัญญาได้มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสังขารมันเปลี่ยนเป็นสัมปสัญญาอี่สัมปชัญะที่ว่าสติสัมปชญญะก็คือสัญญาสังขารนั่นเองตัวเวทนาเป็นตัวเริ่มต้น เมื่อตัวสัญธีละสัญญาเปลี่ยนเป็นแทนที่จะถ้าสัญญาธรรมดามันเป็นอยู่ในไปใต้กรธของใตรักมันจะเปลี่ยนเป็นสังขารและเ ป, เป็นวิญญาณใช่ั้ยแต่เพราะว่าเราได้รับการฝึกฝนได้รับการอนรมได้การศึกษาจากท่านผู้รู้เราจึงเปลี่ยนตัวเวทนาให้เป็นธีละสัญญาด้วยการไปตามรู้ อาการเหล่านั้นให้ยาวให้ชัดให้ต่อเนื่องกลายเป็นตัวทีละสัญญาคือสติคําว่าสติกับทีละสัญญาจริงเกิดขึ้นตรงนี้และทีนี้ถ้าตัวทีละสัญญาถูกดํารงเอาไว้โดยไม่ไม่เผลอมันก็จะเปลี่ยนเป็นสัมปัชัญญาแต่ถ้าหากไม่ชัดเจนตรงนี้ทีละสัญญากลายเป็นสัญญาเนีน่มันจะเปลี่ยนเป็นสังขารเพราะนั่นคืาว่าสังขารพอเปลี่ยนไปจาก สัญญาพอเปลี่ยนไปจากที่แรกสัญญามันกลายเป็นสัมปัญญาและสัมปัญญะตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นถ้าสังขารไม่เปลี่ยนไปเป็นวิญญาณใช่ไหมแต่พอมันเป็นสัมญนธมันเปลี่ยนเป็นยานนั้นวิธีคือยานคือตัวรู้วิธีที่จะทําวิญญาณให้เป็นยานต้องผ่านตัวสัมปัญญาและวยานตัวนี้ก็จะไปสู่ตัวปัญญาอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น ยานังอุทปัิปัญญาอุทพัพปัญญาตามหลังไม่ใช่ยานไม่ใช่ปัญญาขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนะี่ยวิธีแปลงเนี่ยต้องให้ชัดเจนเราจะต้องไปทดสอบจากประสบการณ์ของเราเองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าหาพวกเราจําจากคำพูดที่หลวงพ่อพูดแล้วเอาไปลองทําเนี่ยมันไม่เวิร์กในบางทีมันเป็นความจําเราจะต้องไปสังเกตหลายๆรอบการลุกการนั่งถ้าอันไหนไม่ชัดตั้งต้นใหม่เสมออย่าอย่าไป ตั้งนใหม่เราก็ตั้งใจดูทั้งยกมืออนการความเพียรที่เราทำเนี่ยมันเป็นตัวขยายผลของสัญญาให้เป็นทีละสัญญาถ้าเราตั้งใจดูโดยไม่ทำด้วยเนี่ยมันจะไม่มีกำลังตัวสัญญาไม่มีกำลังพอที่จะเป็นทีละสัญญาได้เพราะนั้นความเพียรจะไปช่วยตรงนั้นอันนี้คือศรัทธาที่เราทำเนี่ยตั้งใจทำด้วยศรัทธาความเพียรจะมาช่วยเปลี่ยน ตาทันไหมนนะมาช่วยเปลี่ยนกําลังของตัวสัญญาตัวนี้ให้เป็นที่สัญญาเพราะมันมีเพราะฉะนั้นตัวขันห้าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังกาลังของตัวนี้ต้องผ่านอินซีห้าคือศรัทธาวิทยาเพราะฉนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีโอกาสวิจัยวิเคราะห์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขันห้ากับอีซีห้าถ้าเราเอาอินซีห้าคือศรัทธาตัวนั้นนะ จะให้มันเป็นศรัทธาพระละนี่ยมันต้องเข้ามาผ่านตรงที่ว่าศรัทธานั้นต้องเปลี่ยนเป็นความเพียรถ้าเปลี่ยนเป็นศรัทธาเป็นความเพียรไม่ได้ศรัทธาก็เป็นพร ะ, ะไม่ได้และความเพียร น, นั้นเอามาใช้กับขันห้าด้ไงก็คือเอามาเปลี่ยนตัวเวทนาทางกายให้เป็นทีละสัญญาแทนที่เวทนาทางกายมันจะเปลี่ยนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไมก็เปลี่ยนเวทนาทางกาย ด้วยการใช้ความเพียรเข้าไปช่วยเช็ดกันยกมือก็ดีนั่งกําหนูลุม้มหายใจกําหนดการเคลื่อนไหวแล้วก็ตามด้วยการสังเกตตัวสังเกตเพราะนั้นระหว่างทีละสัญญาก็ได้ชื่ออีกอย่างเรียกว่าไม่ใช่ภาษาเราว่าสังเกต เ, เมื่อสังเกตได้ถูกต้องตามหลักของของมันแล้วตัวทีละสัญญาเปลี่ยนเป็นสัมปัชญะแทนที่จะเปลี่ยนเป็นสังขารเพราะสติสมัยมันไม่อยู่ในอํานาจของไตรลักแล้ว แต่ถ้าเป็นเวทนาสัญสญะสัญญายณตามกฎของต่ลักมันก็จะเป็นเป็นเรื่องของรูปธรรมดาใช่ไหมแล้วตัวสมชญญั์ยะถ้ามันต่อเนื่องมันก็จะไปแยกระหว่างตัววิญญาณให้เป็นเหลือแต่ญานเป็นตัวรู้ละทีนี้เพราะนั้นตัวรู้จึงเกิดขึ้นถามว่าตัวรู้คือตัวญาณนี่เกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องลำดับให้เห็นที่ไปที่มาให้ชัดเย็นอย่างนี้และเราก็ต้องเอาไปทำให้มันเป็นด้วยไม่ใช่ว่านึกจำได้โอ้มิคี้จำไม่ได้แล้วอะไรเป็นอะไรแน่นหลวงพ่ออันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ทำแล้วถ้าเราทำปับเราก็จะนึกตรงนี้ได้แม่นยำมากการที่เราฟังครูบาอาจารย์เราพยายามจะจำเนี่ยมันไม่ถูกแต่เราต้องเอาไปทำเราเข้าใจเข้าใจแี่ทานพูดแล้วลองไปทาดู แต่เมื่อมันเข้าใจทำเป็นแล้วเนี่ยภาษาที่จะใช้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาบาลีที่อามายกอเงี้ยก็ใช้ภาษาของเรานี่นแหละแต่สื่อให้โคหมายให้คนคนอื่นเข้าใจได้ก็ใช้ได้ละอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าคุณต้องมีศรัทธามีขันห้ามีไตลักษณ์อาจจะไม่ต้องใช้ภาษานี้ก็ได้แต่ภาษาภาษาไทยที่เราสามารถสื่อให้เข้าใจได้นะดังนั้นเอง ตัววิญญาณอยู่ในอำนาจของตจรักแต่ตัวญาณอยู่เหนืออำนาจของตจรักตัวสัญญาอยู่อำนาจของใจรักตัวสังขารอยู่อำนาจของใจรักแต่สัญญาเปลี่ยนเป็นสติเป็นสมัมถะยะและเป็นญาณแล้วอยู่เหนืออำนาจของใจรักตัวนี้ถึงแยกรูปออกจากนามได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสัทธาและความเพียรเข้ามาทําตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่รู้จะแยกยังไง เป็นก้อนเลยเพราะฉะนั้นต้องไปแยกในตัวนั้นก่อนว่าเวทนาระหว่างเวทนาที่ไปสู่สัญญาเนี่ยเวทนาทางกายเย็ยนร้นอนอ่อนแข็งแข่งตึงเนี่ยของร่างกายด้วยอำนาจของใจรักใช่ไหมที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่รู้สึกเ ง, งี้ย ท, ที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้นก็พิจารณาตามขบวนการที่ที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอ๋อเราก็จะรู้ด้วยว่า ตัวรู้ที่เป็นสัญชตาต ญ, ญ, ญาณกับ ต, ต, ตัวรู้ที่เป็นปัญญญาณต่างกันอย่างไรตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเรียกว่าวิญญาณตัวรู้ที่เป็นปัญญญาณคือไปจากญาณตามลําดับคือจะไปจากตัวสติสมัมมาชน ญ, ญาแล้วก็ไปเป็นญาณก่อนที่จะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในพมจักท่านถึงใช้ขึ้นญาณก่อนจกโขู่ตัวนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงญาณหมายถึงปัญญาหมายถึงวิชาหมายถึงอโลกาใช่ไหม ไม่ได้ขึ้นปัญญาก่อนจกขุงตัวนั้นหมายถึงตัวสติที่เป็นที่ได้สัญญาแล้วก่อให้เกิดตัวรู้โดยผ่านสัมผัสยญะเป็นตัวเชื่อมเมื่อเห็นขบวนการเหล่านี้ปั๊บเนี่ยก็จับตรงนี้ให้ชัดเลยไปทําตรงนี้ไปซักซ้อมเลยให้ชัดให้ชัดแต่คุณจะลําดับเรื่องไอ้ภาษาสมมุติเขาได้ไม่ได้ไม่จําเป็นแต่เห็นอาการหนักเปลีป่ยนเป็นเบาอย่างชัดเจนและไอ้ความเบาเปลี่ยนเป็นหนักอย่างชัดเจน การดูการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวนี้การเห็นขวาสัมผัสหลักๆนี่ก็เป็นสมัญญาอะไรใช่มความรู้ตัวทั่วพร้อมและควาู้ตัทั่วพร้อ ม, ม, อมเห็นหนักเห็นเบาเย็นแล้วนอนแข็งเข็งตึงแล้วก็เห็นตัวรู้ที่มันไม่ต้องถูกตัวคิดเข้าไปปนเพราะมันเห็นในกายล้วนๆนะเห็นในกายล้วนแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวยังมีอาสวะอยู่นั่นแหละ อาสวะยังไม่สิ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งตัวสัญญาบางครั้งก็กลับไปเป็นตัวตัวทีละสัญญาคือสติกลับไปเป็นตัวสัญญาเหมือนเดิมก็มีถ้าเราขาดสตินิดหนึ่งพราะยังมีการเกิดดับของสติเพราะสติยังไม่คงที่ที่ยังไม่มั่นคงยังไม่เป็นปรามัดเนี่ยมันก็กลับไปกลับมาเป็นสัญญาบางเป็นสติบางช่วงไหนเรามีสติที่ชัดเจนในการตามรูอ่ะมันก็เป็นเป็นทีละสัญญา ในช่วงไหนที่มันกลายเป็นสยามก็เรืเป็นเรื่องของความคิดเฉลับเข้ามาเป็นสังขารน่ะใช่ไหมเป็นสังขารก็เป็นทําอะไรก็รู้ตามตามความเคยชินไปไปใช้ความรู้สัญชตาตญาณเหมือนเดิมช่วงไหนที่เราตั้งสติสั ม, มยายตั้งความเพียรดีดตามบุญดีดีดดดดปับ๊บอ่ะก็เปลี่ยนไปเป็นญาณเพราะฉะนั้นตัวญาณกับวิญญาณก็สลับมันไปสลับกันมาแล้วแต่กําลังของสติสัมปชัญญะว่ามันมีความ เข้มแข็งชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราทําให้มันเป็นถ้าทำให้เป็นนี้ปั๊บความเย็นก็ปรากฏเย็นให้สัมผัสบอกให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสใ น, ในวิธีการพ่อเห็นทํากับตัวเองก่อนพอทําตัวเองก็สื่อความหมายลักษณะที่เรารู้อย่าง้ไปสู่คนอื่นได้โดยไม่ยากนะดังนั้น บทเรียนในวันนี้เราก็จะไปซักซ้อมความจริงก็คือจะต้องเข้าใจทําความเข้าใจเรื่องปรมัตดแต่ว่าปรมัดถ้ารูปนามของเรายังเห็นการเกิดดับรูปนามเปลี่ยนรู้เป็นตัวรู้ตัวไม่รู้ยังไม่ชัดเจนนะมันก็ไปสู่ตัวปรมัตดที่ผิดพลาดตัวปรมัมดบีภาพมันก่อให้เกิดวิปัสสนูและวิปรรัสสนาต่อไปได้ไม่ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับไปรีไฟล์กลับไปทํารายละเอียดตรงเนี้เหมือนพวกด็อกเตอร์ที่เขาไปทําเรื่องภาษาเนี่ย ภาษาศาสตร์มันก็ไปเรียนต้นตอที่ไปที่มาของกอไก่ข้อไข ใ, ใหม่ใช่ไหมคนเรียนมันเรียนจบมาแล้วนั้งแต่บทสีได้ใช่ไหมแต่พอคุณจะเรียนล่าของภาษาคุณก็ไปเรียนที่ไปที่มาของภาษาใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นที่ละเอียดขึ้นพูดถึงความเป็นมาพื่อพูนของประวัติของคําคํานี้ทําไมต้องเขียนแบบนี้ทําไมต้องเรียกชื่อนี้ไปรู้จักบัญญัติที่ละเอียดขึ้นในแง่ของวิชาทางโลกยุทธธรรม จากปัญญาตีให้มันเป็นปัญญาเอกนี่ยนกะ็เท่ากับมาเรียนที่เดิมนั่นแหละแต่ละเอียดขึ้นลึกขึ้นถ้าเรียนป .4 แล้วก็ไก่าขาเขียนนี้ขอแข่งให้จบใช่ไหมให้จําได้ไปใช้ได้แต่พอไปถึงปัญญาเอกกลับมาก็ไก่าามันมา่างไหนใครเป็นผู้บัญญัติแล้วทําไมต้องบัญญัติว่าอย่างนี้แล้วการออกเสียงอย่างนี้มันสื่อความหมายอะไร จะเรียนรายละเอียดมากขึ้นเหมือนกันเราจะเรียนไปถึงการทําลายอสวก็ต้องรู้ที่มาเบื้องต้นของอสวกที่สุดมันมาจากไหนก็คือเบื้องต้นของที่มาจากทุกข์ทุกข์ทางกายเรารู้เบื้องต้นที่สุดทุกข์ทางกายมาจากไหนทําไมต้องมีกายเพราะฉะนั้นการที่จะลึกไปสู่ปรมาภคุณต้องกลับมาเรียนที่ต้นนี้ใหม่แต่ละเอียดขึ้นลึกขึ้นเห็นล่องรอยเห็นการดําเนินการของเวทนาตั้งแต่ต้นจนจบ มันก็จะมีแค่นี้วันนั้นลุกนั่งย่างเดินในรีบที่สีมันมีกันมาทุกคนแต่ใครจะลงลึกในรายละเอียดของการที่ไปที่มาของมันตรงนั้นคือหมายถึงคนที่ต้องไปรู้เรื่องของปรมัตดที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้รับหนึ่งจะเข้าไปทำํำจงเข้าไปทําได้เรียกว่าธรรมวิจัยในจุดนี้นะแต่ถ้าในสติปัฏฐานสีกายมาลงที่เวทนา แต่พอเป็นสติสัมโพชฌงค์กายคตาสติในในตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นสติสัมโพชฌงค์เราก็มาดูทางกายให้ละเอียดทั้งหหมวดนี่แหละหเรื่องใช่ไหมจําได้ไหมทางกายเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องลมหายใจสองเรื่องรูบทสีสมเรื่องบุทยอยสี่เรื่องทาสีห้าเรื่องอาการสิบสองหกเรื่องความไม่สะอาดของร่างกายคืออสุรา ก็พิจารณาแค่หเรื่องทำความเข้าใจหเรื่องเนี่ยชัดและทั้งหเรื่องนี้สรุปเหลือแค่สองเรื่องคือเรื่องรู้สึกหนักเบาสบายไม่สบายดูแค่นี้ไม่ต้องจับทั้งหเรื่องมาพิจารณาเยอะไปให้หเหลือแค่อันสองอันสองอันหลกัลกๆของมันคือดูสบายไม่สบายถ้าคุณไปพิจารณาทีละเรื่องมันก็กลายเป็นสมถะกลายเป็นอิจตกวิจารไม่ได้กลายเป็นปัญญา ก็มาจับชัดๆแค่สองเรื่องความหนักทานาให้ไปสู่ความรู้สึกไม่สบายความเบานําไปสู่ความรู้สึกสบายก็ดูแค่นี้ดูรูปกบนามความหนักความเบาทางกายของรูปเนี่ยมันก็ให้เกิดนามคือความรู้สึกชอบไม่ชอบสบายไม่สบายทางใจก็ดูสองเรื่องทีนี้ความ ส, สบายไม่สบายทางใจถ้าว่าไปถ้าสติไปทันนมันก็เรียกว่ารูปนามละ แต่ถ้าสี่ไปไม่ทันความสบายไม่สบายทางใจมันก็จะเพิ่มมาเป็นอะไรเป็นนันทิใช่ไหมความเพลินเกิดปัญหาละนี่วอมาล ะ, อะามมพอไปเผลอไม่ทันความสบายก็ให้เกิดความเผลอก็อให้เกิดโทนัดความอุดอัดอาจเกิดไม่สบายมันก็จะพัฒนาไปเลยในสายของอความสบายก็พัฒนาจะไปถึงการ ม, มาสะวาละเอียดที่สุดในสายของโทรศัก็พัฒนาเป็นภาะวะสวาละเอียดที่สุด ในสายของตัวอทุคำมสุขหรืตั ว, ม, ตวมันเริ่มเชื่อมมจากอ น, นิจจังทุกขังน้าตาเพราะหน้าตามันก็มาผ่านตัวเป็นตัวอุทุคำมสุขขวัญฐามาเป็นตัวเบื้อคาก็ไปต่อสายไปถึงอวิชชาสวะเพราะนั้นตัวหน้าตาเบื้องต้นไปถึงอวิชชาถ้าไม่รู้เรื่องอ น, น้าตา อริชาก็จัดการไม่ได้เหมือนกันแต่ที่เราจะไปจัดการได้ก็ต้องมาตามรู้อนัตตาไปตามรู้ผ่านอันทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่ชัดเวทนาที่ไม่ชัดอ น, นั้นเราจะต้องเห็นความสัมพันธ์ของเบื้องต้นที่สุดให้ลิงถึงกันแล้วห <c oughs> ากปฏิบัติเราก็จะทําความต่อเนื่องมากขึ้นสังเกตต่อเนื่องมากขึ้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะเปลี่ยนศรัทธาภละตัวนั้นให้เป็นวิริยะภละคือกําลังของความเพียรกําลังของความเพียรไม่ใช่คุณทำมากมากเดินมากมเดินมาากนั่งมากไม่ใช่องั้นนะทำตัวชัดเจนที่ปรากฏของการเปลี่ยนแปลงภายในของรูปสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามให้ชัดเจนไว้เสมอวิริยะตรวนั้นที่จะมีกําลังนะแต่ถ้าหาวิริยะตรงนั้นไม่มีกําลังปั๊บมันก็มั่วไปตามอะไรอวิชชาเหมือนเดิม ใช่ไหมเราก็มาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่กำหนดรุมก็จะมีแค่สองอาการหลักๆนึ่งหนักเบาสบายไม่สบายไปดูรูป ก, ก็ดูหนักดูเบาดูใจก็ดูรู้สึกสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจก็ดูแค่นี้นะแต่ว่าความเห็นความเชื่อมต่อแค่ความรู้สึกสบายเชื่อมต่อไปสู่ความชอบใจได้อย่างไรเนี่ยตรงเนี้ยไปสังเกตตรงเนี้ซึ่งมันเป็น สัญชตาตญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องการความสบายใช่ไหมโดยใจเป็นผู้รับรู้ใจกายเนี่ยสบายๆไม่รู้เรื่องอะไรเมันไม่มีไม่มีตัวรู้ไม่มีวิญญาณเข้าไปนะเพราะนั้นเราจึงอาศัยความเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจโดยอาศัยตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็มีจับเวทนานั้นมาเป็นตัวสติเบื้องตน้น ตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเพราะนั้นจะเดินยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาอะไรมันก็ตามรู้สองอย่างแค่นี้ย ไ, ไม่ต้องตามรู้อะไรทั้งหมดพิจารณาตั้งแต่หัวจุดท่าเท้ า, ทาจุดหัวบางทีเป็นเรื่องเยอะเรื่องหนักคนทึงหลงไปทางสมถะตรงนั้นได้ง่ายไงเพราะมันไปถือเอาทั้งดุ่มแต่พอมาวิปัสสนาท่านเอาแต่อาการใน อาการส2มที่สอง่านใช้ทวติงสาการใช่ั้ยคือเอาอาการของมันอาการสที่สองถ้าจะว่าไปอาการส2บสองมันก็รวมทั้งหมดของความรู้สึกทุกส่วนเอาเพียงอาการอาการของลมหายใจเข้าออกเป็นยังไงหนักเบาเป็นยังไงใช่ไหลึกตื้นเป็นยังไงอาการของท่าสี่อาการของอริบทสียืนเดินนั่งนอนแต่ละครั้งหนักเบาสบายไม่สบายเป็นยังไงอาการของอริยบทย่อยต่างๆ ตาปากลืนไหวเร็วส้ไแขวกว้มเงยหยีบหยับจับช่วยอาการยยอะๆอย่างนี้อาการหลักๆมันคืออะไรก็รู้สึกหนักเบาสบายไม่สบายใช่ไหมในตัวของท่าสี่ดินน้ำลมไฟดินทำหน้าที่บอกถึงอาการหนักลมพอเคลื่อนบอกอาการเบาไฟกับน้ำเป็นตัวเสริมท่า ด, ดินกับทน้าอาการหนัก มันก็ออกมาเป็นอะไรไฟอาการเบามันก็ออกมาเป็นลมนะอาการของลมคืออะไรยเย็นคืออาการของน้ำกับลมอาการค้อนดินกับไฟดินกับไฟบวกกันเป็นหนักน้ํากับลมบวกกันเป็นบาก็จะมีสองอาการใช่ไหมแล้วก็อาการของของเสียในร่างกายรู้สึกของเสียอาการเป็นไง สมมติว่าปวดท้องหนักใช่ไหมแล้วก็ไปไหนไปเบาเอาออกแล้วมันเบาเขาจึงก็ไปหนักไปเบาไม่ได้บอกว่าไปขี่ไปเยี่ยวใช่ไหมเนี่ยดูอาการมันหนักมันภาษาประปจำวันมันชี้นำอยู่แล้วว่าเป็นหนักหนักสบายไหมไม่สบายเบาสบายก็สบายเนี่ยเอาของเสียมีอยู่ก็หนักเอาของเสียออกก็เบา ดูอสุภะก็ดูที่ของเสียอาการไม่ดีของร่างกายเพราะฉะนั้นก็มีแค่สองอาการอาการของกายทั้ง6อย่างรวมเลือกแค่สองอาการเพราะฉะนั้นในอาการสามที่สองท่านพึงใช้ก็ว่าถ้าไปพิจารณาเป็นส่วนๆนะผมขนเล็บฟันหนังเกสาลมานั่นะเป็นสมรรคเขาสอนไม่ได้สอนอาการนะสอนเป็นรุ่นเป็นแท่งเป็นตัวของมันเป็นรูปเป็นตัวของมันแท้ๆเลยนี่ก็เลย เกซาโรมานาคาธันตตาโจตาโจตาเลคเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่สุดทั้งสอนให้รู้สมถะนั้นก่อนคือรู้รูปพอมาเป็นวิปัสนาเมลิ่นรู้อาการเพราะฉะนั้นในเศริปัะธานจึงใช้ในส่วนที่ว่าทวัติงสาอาการอาการของทั้งหกไปจากอาการสาสองทั้งหมดเลยอันนี้ในส่วนหนึ่งที่เราจะไปไปดูเอาลงมาง่ายๆอย่างเงี้ยแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็จำ ไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> บางครั้งก็ลืมดูนะักบางครั้งเบาโดยไม่รู้ตัวบางครั้งหนักโดยไม่รู้ตัวแค่สองอย่างนี้ก็ดูมไม่ทันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะกําลังสติยังไม่มีกําลังนะแต่ว่าใจหกอย่างแค่สองอย่างก็หนักทีนี้เราจะทําไงให้สติมันมีกําลังก็สติทั้งต่อเนื่งคำว่าต่อเนืงคือทีละมั่นคงทีละสัญญาทําอาการรู้เห็นอาการรู้ดังต่อเนื่องว่าเห็นต่อเน่องเราจะเห็นอะไรของมัน ความหนักเบามันต่อเนื่องอาการหนักมันต่อเนืเป็นไหมอาการเบามันต่อเนื่งเป็นอาการหนักความต่อเนือของอาการหนักคืออะไรก็หนักขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันทนอยู่ได้ไหมไม่ได้มันก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับเพราะฉะนั้นดูอาการหนักมันก็ดูอาการของใตรักนั่นเองใช่ไหม mm. เห็นทั้งหมดเลยในะจุดนั้นเห็นทั้งหมดกายทั้งหมดแล้วก็เห็นอาการของใจรักอยู่ในนั้นด้วยประการสําคัญ แค่ของสองอย่างเราตามมันดูได้ตลอดเวลาละเอียดลึกพอไหมแค่นั้นขนาดตามของสองอย่างเราก็เลื่หลงเลื่อมอยู่ดีใช่ไหมได้ไปว่าอะไรทั้งแยกเป็นทีละอย่างหรือยังมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตรงนี้แหละความเพียรของเราสําหรับผู้ใหม่มันก็ยะต้องธรรมดาละว่าเดี๋ยวเพอเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพอเพอกิดปัญหาต่อไปเพราะสติเขายังไม่มีกําลัง เพราะนั้นคนที่มีสติกำลังมาตั้งต้นใหม่อยู่ที่นี่เสมออะไรเกิดขึ้นมาตั้งต้นใหม่เสมอใช่ไหมตั้งต้นใหม่โดยการเปลี่ยนหนักเป็นเบาเป็นเบาเป็นหนักโดยการนั่งนานๆไปไงผู้ใหญ่เบนนานๆก็นน เ, เพลินแล้เพลินก็ซึมเลยใช่ไหมเนี่ยก็เห็นเหน<ๆ>ยื่อไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมนั่งสักพักก็ซึมแล้วหลับตาก็ซึมเพลินและ้ะเบาเกินไปก็เปลี่ยนมาเป็นหนักขึ้นมาเอาหนักขึ้นไปมันจิตมันทนไม่ไหวแตกดับเราก็ ไม่ยอมเปลี่ยนก็ดอกลงไปภาวะตึงรู้ก็ไม่เกิดแล้วทีนี้การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งอย่างตั้งใจภาวะตึงรู้เกิดพุทธะเกิดละตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่จิตมันไปเสพพอเสพแล้วมันเพลินมันเพลินแล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในจุดนั้น <c oughs> ตัวนั้นเองเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจให้ละเอียดแล้วเวลาอาไปทําเราจะได้รู้ว่าคือมันต้องมีเห็นมีผลนะถ้าไม่มีเห็นมีผลชัดเจนปั๊บเนี่ยเราก็ไปทําไม่ถูกทําไม่เป็นพอทําไม่เป็นปับ๊บมันกลายเป็นไรเพราะจิต ม, มันมักง่ายอยู่แล้วมันขี้เกียจทุกตัวมันอยู่แล้วไม่อยากทางานเพราะวิริยะไม่พอนะท่านใช้คําว่าตัววิริยาพิสังขานะ สี่อย่างจะฉันทาพิสังขารวิยาพิสังขารจิตตาพิสังขารฉันทาวิยะจิตวิมังสาพิสังขารทําให้มันไม่ใช่สังขารธรรมดาเป็นอภิสังขารเลยีเดียวนะถ้ามันมีให้ชํานาญดูให้ชํานานอภิสังขารเรียว่รารู้ให้ชํานาญในเรื่องนั้นวิริยะเหมือนกันทําให้มันชำนานนะก็ตามรู้การรู้ใจ พอดูชานาญมากขึ้นมากขึ้นขึ้ น, น, นกายกับใจเราเห็นกายกับใจเป็นไงชัดเจนมากใช่ไหมชัดเมื่อเห็นจยงชัดเจนจิตมันจะแฉลบออกไปทางอื่นไหมเพราะมันรู้ว่าเมื่อกายกับใจมัอยู่ด้วยการชัดเจนมันรู้สึกสบายหรือไม่สบายสบายและผ่อนคลายใช่ไหมพอจิตวิ่งออกไปทางอื่นปั๊บจะรเราจะรู้สึกไม่สบาย ท, าทันทีเลยโดยสังชัดจานมันก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน วันนี้ได้ยินละคังเพราะฉะนั้นวันนี้คือบทเรียนตัวเนี้เอาไปดูเรื่องหนักเรื่องเบาให้ละเอียดแล้ดูให้มากพอมันขี้เกียจดูปั๊บมันก็จะซึมแล้วก็รับแล้วก็เสยแค่นั้นเองเราก็ต้องปลูกให้ตื่นรู้ขึ้นมาพอตื่นรู้ขึ้นมารับรู้มันใหม่เพียน่อกปบใหม่เพราะนั้นความเพียนของเราบางทีมันยังไม่ถูกต้อง เรารู้ว่าตัวไหนไม่จะทําให้เพลินและให้เผลอเนี่ยเราไม่ระวังเราขาดสังกวนประทานสองวันที่เพลินแล้วเผลอไปแล้วแทนที่จะแก้แล้วเสมมันเลยแทนที่จะประหารไม่ประหารความเพียรไม่ไม่ไม่เป็นสมาระสามบางทีแก้ตื่นรู้ดีแล้วเนี่ยแก้เผลอแก้เพลินได้แต่ว่าไม่พยายามปลุกเล่าต่อ ไม่ยามเมนเทนไม่ยามรักษาต่อก็จะวนอยู่เพราะฉะนั้นในในองค์มรรคเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนักแต่ต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆตามรู้บ่อยๆคนไหนตามรู้ได้มากที่สุดก็จะก้าวหน้าคนไหนตามรู้ได้น้อยที่สุดก็ก็ยังอยู่กับที่เดิมเพราะฉะนั้นการตามรู้ต้องมีข้อแม้ว่าทําให้เป็นถ้าทําให้เป็นเป็นไงเกินกําลังของเรามันจะเครียด จะให้รู้กําลังของเราได้เออถ้ามันพอดีกับกำลังของเราแเราจะรู้สึกสบายและผล่อนคลายแต่ถ้ามันต่ํากว่าความสามารถของเรามันก็จะรู้สึกสบายและขี้เกียจใช่ไหมบางคนเก่งแต่ว่าไปเรียนกับเด็กที่ไม่เก่งไป อ, อันนี้ไม่ปไหนะอะไรนี้ก็นั่งรับดอกไปอันนี้ก็มันเน่ยเพราะฉะนั้นพอรู้คนที่ทําได้ดีก็ไปเรื่อถ้าทําไปแล้วมันผ่อนคลายสบายคร้นเดีวมันอยู่ในความสามารถอยู่ในกําลังของเรา แต่ทำไปแล้วมันหนับมันหน่วงทวงทับแสดงมันเกินกำลังของเราก็ลดลงมาปรับไปปรับมาไ อ, อาความผิดพลาดมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นหงเว้นวันนี้เอาไปซักซ้อมให้ดีนะพอแต่และ ว, วันนั้นจะบทเรียนมันจะเข้มข้นขึ้นโอเคนะคนนกลับมาฟังกัน